ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้ตัวเนื่องกันแล้วหรือยังเราได้น้อมก็ไปสำรวจกายสำรวจจิตของเราแล้วหรือยังเอาตั้งแต่ลุกจากที่หรือทีเดียวตั้งแต่รู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บยังไม่ลุกจากที่ความรู้สึกตัวเขาตั้งมั่นขึ้นมานิวรณ์ความเจ็บ้านของเราก็คลายไปความรถถู้ตัวของเราก็ตั้งมั่นขึ้นแล้วก็พยายามรู้ถึงให้ต่อเนื่องถ้าพลังเผลอเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ พลังเผยเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่การสร้างความรูร้สึกตัวตรงนี้หละ <unst ure. S 1> เราพยายามสร้างแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องสัาเกิดคลาดในการสร้างความรูร้สึกตัวตรงนี้เราก็จะไม่เข้าใจในเรื่องการเกิดการดับของความคิดการเกิดการดับของจิตเราก็จะไม่เข้าใจในเรื่องอัตราตนในเรื่องอรรถตาในเรื่องทุกข์ในเรื่องสมุทัยในเรื่องนิโรธในเรื่องมรรคถ้าเราไม่ความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเราก็จะรู้ว่าการเกิดของจิตส่งออกไปข้างนอกเป็นอย่างไร การเกิดของความคิดผุดขึ้นมาพรุงแต่งจิตจิตของเราไปลงเอาความคิดได้อย่างไรนี่แหละตรงนี้แหละทุกคนไม่ค่อยจะทนใจกัดส่วนมากก็ฝักไฝในโบนทําบุญให้ทานแล้วก็จเจริญรักษาศินอยู่บ้างเราก็รู้จักรักษาอยู่แต่ไม่รู้จักทําความเข้าใจคําว่าศินลักษณะของศินเป็นอย่างไรเรารู้จางแต่ชื่อของเขาทั้งที่บางทีจิตก็เป็นศินกายวาจาก็เป็นศินอยู่คือความปกติปกติของกาย กายของเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนโน้นให้กับคนนี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองวาจาของเราก็ไม่ได้ไปดุไปด่าไปว่าคนโน้นว่าคนนี้ไม่ได้ไปพูดเพ้อเจ้อไม่ได้ไปพูดส่อเสียดไม่ไปพูดสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็เป็นศีลอยู่ลึกลงไปจิตความปกติของจิตจิตของเราก็ปกติไม่คิดอคติไม่คิดเพ่งโทษไม่อิจฉายา มันก็เป็นศิ์อ ย, ยู่เราต้องทําความเข้าใจกับเขาเสียส่วนมากเรารู้ตรื่งแต่ชื่อแต่ไม่ค่อยจะทําความเข้าใจถ้าพูดตดำความเป็นจริงรู้ตั้งแต่เการจเจริญสติเป็นอย่างนี้การจเจริญภาวนาเป็นงนี้เออไปวัดนุ่งขา ว, ห, ขาวห่มขาวแล้วก็ได้บุญคําว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรความหมายของการปฏิบัติเป็นอย่างไรการจเจริญสติความหมายของการจเจริญสติก็เพื่อที่จะเข้าไป สำรวจจิตทำความเข้าใจกับกจิตแล้วก็ชำระสสารกิเลสออกกับกิตจะแก่ขงเราการได้ยินการได้ฟังการได้อา่านทุกคนมีกันเต็มเปรียบการจําแนกแจกแจงการแยกแยะ ก, การทําความเข้าใจการละกิเลสอาจจะมีบ้างกับปิดกับปล่อยไม่ได้มีได้ต่อเนื่องรเราต้องพยายามทําให้ต่อเนื่องทุกวิถีทางตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับแม้แต่งแต่ความรู้สึกตัวลักษณะของสติความรู้ึกรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไร ไปในห้านาทีพวกเรายังไม่ได้ทําให้ต่อเนื่องกันเลยจะเอาแ้งแก่้งทำจะเอา้งแต่ผลอันสูงมันก็อยากจุกส่วนมากก็ได้มีศรัทธากันเต็มเปี่ยมฝักไปในบุญอยากกระทําบุญอยากจะได้บุญเพราะว่าหลายพ่อทุกคนก็มีวิบากกรรมกันทั้งนั้นวิบากกรรมชักนํามาพาให้เกิดถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์กเกิดมาเป็นภพเป็นชาติถ้าเราดับความเกิดคายความหลงไม่ได้ที่จิตมันก็ต้องเกิดอีกต่อไปดาบใดที่ยัง มีวิบากกรรมอยู่เราต้องทําความเข้าใจกับกรรมเสียกรรมทางด้านขันห้าที่มาปรุงแต่งกิจกรรมที่เกิดจากกิจที่ไปสร้างขึ้นมาใหม่อมไปก่อพบก่อชาติเราไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาใหม่เราไม่เข้าใจตรงนี้เขาจึงหมุนเขาจึงวิ่งกันอยู่งั้นวิ่งโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนกับวงกลมถ้าเรามาแยกแยะตัดเธอแล้วตัดวงกลมเธอแล้วมันก็หมุนต่อไปไม่ได้เราต้องทําความเข้าใจกับกรรมเก่าเกือการทุงขันห้า ทำความเข้าใจกรรมใหม่ไม่ยึดอยู่เหนือกรรมก็ได้เป็นแค่เพียงกุริยาการกระทํารู้จักชาระสตางกิเลสออกจากใจของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกุริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายาเสราต้องมีสติระลึกรู้ตัวโลกกายรู้จิตทุกุริยาบทและรู้จักหน้าที่ของเขาทวารทั้งหก็ทําหน้าที่เป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงซึ่องส่งเข้าไปถึงวิญ ญ, ญาณของเราเอง วิญญาณก็คือดวงจิตของเรานั่นแหละเป็นขันหนึ่งอยู่ในขันห้ามันเข้าไปรวมเข้าไปหลง ไ, ได้อย่างไรเราต้องสร้างผู้รู้หรือว่ามาสร้างความรู้ตัวนี่แหละเข้าไปสํารวจตรวจตาดูรู้ไม่ทนันเรารู้จักดับรู้จักละเรารู้จักชักกระบะบรารมีให้กับตัวเราตลอดเวลามันสารวจตรวจตาดูตัวเราตลอดเวลาสมมุติเราพร้อมไหมสมมติของเราลําบากหรือไม่อะไรที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเราเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่เรามีความเห็นแก่ตัวหรือไม่ เรามีความทะเยอทะยานอยากหรือไม่ความคิดเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเขาหลงกันไปได้อย่างไรถ้าเราจะเอาจริงจริงมันก็ไม่เหลือวิสัยลบก็ต้องพยายามกันอันนี้จะไปโทษกันก็ไม่ได้แล้วก็ยกให้เป็นวิบากกรรมของแต่ละบุคคลใครขยันมันเพียรที่ถูกทางก็ไปไดเร็วเร็วไใครขยันมันเพียรไม่ถูกทางก็อาจจะช้าก็ต้องพยายามกันนะพยายามกันออกทุกคนเกิดมาก็มีบุญกันอยู่แล้ว ถึงได้เก <cond Cyr il> <men function S 1> ิดมาเป็นมนุษย์เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พยายามค้นคว้าให้ถึงจุดหมายปลายทางสักวันหนึ่งเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางจนได้นั่นแหละตราบใดที่เราฝักใฝ่ตาบใดที่เราสนใจไม่ถึงช้าก็ถึงเร็วไม่ถึงวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ต้องถึงมันไม่ถึงจริงๆก็ไปต <Yeah. S 1> <that> ่อเอาภพหนานั่นแหละเพราะว่าจิตมันไม่ตายหรอกตายตั้งแต่กายเนื้อเท่านั้นแหละจิตมันก็ต้องไปก่อภพก่อชาติอีกไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องพยายามปลายคมหลงแล้วก็นับความเกิดให้มันได้ แล้วก็พยายามตัดบั่นทอนให้มันช้าลงให้มันน้อยเหลือน้อยลงทำกายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบาย